ต้นปังที่ครบคันนี่คือรายการสัสนนิีสนทนาค่ะผ่านไปนะคะสําหรับพระมาชาคาวโรแห่งวัดนาปภงลำลูกาคลองสิบค่ะท่านก็นําพวกเราปฏิบัติธรรมกับอ่านพระสูตรที่เป็นพุทธวจนะให้พวกเราได้มีความรู้นะคะว่าวิธีการตรัสของพระพุทธองค์นั้นเป็นอย่างไรสาระของพุทธวจนะที่ตรัสไว้เป็นอย่างไรตอนนี้ก็มาถึงช่วงของการที่จะฟังการถามตอบที่มีการนําเอาพุทธวจนะ มาประกอบในการตอบเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยผู้ทวจนะกับพระพิบูณ์อภิปุโนค่ะนมรสการค่ ะ, ท, คะ ท, ท่านคะเชิญพานท่านคะสําหรับคําถามในวันนี้เนี่ยอืก็จะขอใช้คําถามที่ท่านส่งมาเนี่ยนะคะเป็นผู้ฟังสม่งไปที่ศูนย์แปดหนึ่งขออภัยกับที่พิวตมาดอทคอมสแลหนึ่งศูนย์หกคุณณัฐ า, าราเหรอคะณัฐราคุณณัฐราควจริงก็ถามไปที่พิวตมาดอทคอมค่ะ ก็บอกว่ามีน้องคนหนึ่งถามว่าการโกงยืมเงินทองของใช้แล้วไม่คืนบ้างแบ่งของแบ่งหุ้นส่วนไม่เป็นไปตามสัญญาผิดศีลห้าข้อไหนคุณนราเนี่ยบอกว่าไม่สามารถตอบทันทีก็มาค้นพระสูตรจนพบพระสูตรก็บอกชื่อพระสูตรนะคะสุตส ต, ตันตปิโดอะไรก็ว่าไปดูกราภิกษุทั้งหลายก็มิช้าอ า, อาชีวะเป็นไน คือการโกงการล่อลวงการตลบตะแลงการยอมมอบตนในทางที่ผิดการเอาลาบต่อลาบนี้มิชฉาอาชีวะถ้าตอบว่าเป็นมิชฉาอาชีวะในอริยมรรคมีองค์8ปและถ้าตอบสี่ห้าก็น่าจะโดนทั้งอาทินาและมุสาใช่ไหมคะอมขอพระอาจารย์เมตตาบอกสอนค่ะอันนี้ต้องแยกแอะทีละประเด็นก่อนว่าข้อที่หนึ่ง มีคือการโกงยืมเงินแล้วก็ไม่ใช้ไม่คืนใช่ไหมอันนี้คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือแบ่งหุ้นส่วนไม่เป็นไปตามสัญญาที่ตกลงไว้อันนี้คือส่วนที่สองทีนี้ถ้าเราจะมาวิเคราะห์ศีลห้าเนี่ยโดยลักษณะว่าข้อที่หนึ่งเป็นนี้ข้อที่สองเป็นนี้คุณผิดอย่างนั้นคุณผิดอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะการวิเคราะห์ตามตัวบทที่เป็นของกฎหมายเกินไปแต่จุดประสงค์ที่พระเจ้าบัญญัติเรื่องศีลเนี่ยนะศีลเนี่ยคือความเป็นปกติ ให้เรามีปกติอย่างนี้คือมีปกติเนี่ยไม่ลักทรัพย์มีปกติไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมไม่แกล้งกล่าวเท็จให้ผิดต่อโลกอย่างนี้เป็นต้นนะทีนี้ไอ้ความเป็นปกติอย่างนี้คือความเป็นปกติคุณจําตีก็ใช่ไหมคือปกติเราจะเป็นอย่างนี้อ่าแล้วกฎหมายต่างๆที่เขาออกมาในโลกเนี้ยก็เพื่อส น, นับสนุนความเป็นปกติอย่างนี้เช่นว่าเขาออกกฎหมายมาคุณฆ่าคนคุณเป็นกรีอาญานะคุณลักทรัพย์ ถ้าเกี่ยวข้องโดยเช็คคุณเป็นคดีอาญาอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นมันก็จะมีกฎหมายเนี่ยที่เราจะต้องมาวิเคราะห์คือกฎหมายของบ้านเมืองเขาตัวนี้ต้องวิเคราะห์เป็นตัวบทแต่ถ้าเป็นคำสอนของพระเจ้าเนี่ยเราพูดถึงความเป็นปกติเราถึงจะเข้าใจกันอย่างถูกต้องนะซึ่งคุณนัทราได้พูดถึงว่าการได้ยกส่วนที่เป็นมิจฉาชีวะขึ้นมาที่พูดถึงว่าการโกหกการหลอกลวงการล่อล่บด้วยลาบการพูดทาให้เจ็บใจจนต้องยอมตกลง แล้วก็การเอาขอมีค่าน้อยต่อขอมีค่ามากตรงนี้เป็นมิจฉาอาชีวะถูกต้องนะทีนี้มิจฉาอาชีวะเนี่ยคือความผิดปกติเหมือนกันความไม่ปกติเพราะฉะนั้นถ้าเรามีปกติในการที่จะไม่โกงนะไม่พูดท้าให้เจ็บใจจนต้องยอมตกลงไม่เอาลาบต่อลาบถ้าเรามีปกติไม่ทําอย่างนี้นะคุณชีวิตคุณก็เป็นปกติดนะีเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่าผิดศีลคือมันไม่ปกติชีวิตคุณจะไม่ปกตินะคือคุณโกงเขา คุณโกขเขานะเพราะว่าคุณเขาบอกว่าเขายืมเงินไปนะเขายืมเงินไปสามเดือนนะก็ให้ยืมไปตอนแรก3ามเดือนใช่ไหมอนุญาตละให้เอาซับไปได้แต่พอเกินสามเดือนคุณก็ต้องเอามาคืนถ้าเกินสามเดือนไปก็ถือว่าไม่ได้รับอนุญาตละอนะเพราะฉะนั้นก็จะไม่ถูกความเป็นปกติในข้อที่อธินาใช่ค่ ะ, คะลักษณะนี้ คือคือเราต้องมองศีลในแง่ของความเป็นปกตินะอาตมาต้องเน้นตรงนี้อย่าไปมองว่าเป็นตัวบทเป็นข้อเป็นข้อแล้วฉันผิดข้อไหนผิดข้อไหนคือปกติเราทำเป็นอย่างนี้เลยก็อ า, อาจจะแบบว่าอยู่ในสังคมที่มันมีกฎหมายมแต่เขาจะตีความกฎหมายว่าจะบอกว่าองค์ประกอบของกฎหมายถ้าจะปล้นทรัพย์กระทงเป็นแบบนี้ก็เลยคุ้นเคยกับวิธีนี้มั้คะใช่ จะทําให้การปฏิบัติของเราเนี่ยง่ายด้วยนะถ้าเรามาคิดแค่ว่า เ, เราเป็นปกติเป็นอย่างไรคือปกติจิตของเราเนี่ยจะไม่คิดจะลักทรัพย์คนอื่นนะชื่อว่ามีศีละละเรามีความปกติที่ดีละอย่างนักโทษที่เขาเขโมยของอย่างเงี้ยเขาอยู่ในคุกนะถูกจับด้วยข้อหาขโมยของพออยู่ในคุกเนี่ยถูกขังเดียวอยู่ันะ้นแต่ว่าจิตเนี่ยคิดจะลักอยู่ตลอดเวลาคิดจะขโมยอยู่ตลอดเวลาขอให้มีโอกาสน้ําปากกาแท่งเดียวฉันก็จะเอา นะอขอให้มีโอกาสนะออะไรมันก็เอาได้ทางนั้นนาฬิก า, า, า, าก็จะเอากระเป๋าตังค์ก็จะเอาเอาหมดแสดงว่าจิตของเขาเนะี่ยไม่ปกติแล้วนะต่อให้ของยังไม่หายแลก็จิตก็ไม่ปกติแล้วเป็นคนไม่มีศีลท่านบุญ<ว>เขาขอประทานโทษนะคะนั้นอยากจะกราบเรียนฐ า, างนี้เลยพอท่านพูดถึงปกติไม่ปกติแล้วก็ไปพูดถึงคนที่เป็นโจรเนี่ยอืจริงหรือไม่ก็ไม่ทราบมันเคยมีการพูดหกันว่าคนบางคนถูกเลี้ยงดูอย่างไรก็เป็นเช่นนั้นเช่นพบว่าคนเนี่ยถ้าให้ไป อยู่ในป่าใช่ไหมคะไม่มีใครเลี้ยงสุนัขป่าเลี้ยงเนี่ยกันจะนิสัยเหมือนสุนัขป่าเป็นต้นคนที่เกิดในสังคมโจร น, นะคะ อ, อาจจะเห็นเรื่องของการลักขโมยเป็นของธรรมดาอันนั้นเป็นปกติของเขาเพาะคะ่ะเป็นปกติก็เป็นแสดงว่ามีมีเพื่อนช่วอยมีเพื่อนช่วแล้วเพื่อนช่วยก็จะบอกว่าไอ้ขโมยสีดีไม่ใช่ค่ะท่านคะเดนกำลังจะพูดว่าสมมติเนี่ยเกิดในครอบครัวที่ถูกเลี้ยงมามีพ่อแม่เป็นหัวขโมยเพราะงั้นเถอะนะคะแล้วก็มีอาชีพ แบ้เขาเชื่อกันมาอย่างนี้ว่าเรื่องขโมยของคนมีตัตังค์เนี่ยนเรื่องปกติาาแล้ว<อ>เป็นปกติของเข า, า, าค่ะก็ถามว่าต้องปกติของใครไงถ้าถ้าเป็นปกติของโจรเนี่ยโจรก็จะบอกว่าขโมยดีทีนี้ที่อาจามาบอก ว, ว่ามีเพื่อนไม่ดีเนี่ยเพื่อนไม่ดีนี่หมายถึงไม่ได้หมายถึงว่าเพื่อนที่มีวัยเดียวกันเป็นเป็นคนเหมือนกันแต่หมายถึงคนสิ่งแวดล้อมอย่างพ่อแม่เนี่ยก็ชื่อว่าเป็นกัลยาณมิตรหรือเป็น ไม่ใช่ เ, เพื่อนที่ดีก็ได้ถ้าสอนสิ่งที่ไม่ดีถ้าสอนสิ่งดีก็เป็นเพื่อนดีถ้าสอนสิ่งไม่ดีก็เป็นเพื่อนไม่ดีเพราะนั้นไอ้ตรงเนี้ยต้องใช้มาตรฐานที่คนที่ไม่ของคนที่ไม่มีกิเลสถ้าเราเป็นมาตรฐานของพวกคนที่หยาบหนานะก็จะบอกว่าอุย้ยอดน้อมทำตนนี้ไม่ดีนะ่ต้องก้าวร้าวนะพูดเสียงดังๆถึงจะดีถ้าเป็นปกติของโจรเขาก็จะขโมยแต่โจรเนี่ยเขาก็ไม่ขโมยของโจรกันเ อ, เองนะ สมมตอยู่ในบ้านด้วยกันอย่างเงี้ยมีโจร5คนนะโจรอาจจะไม่ขโมยของกันเองแต่ว่าจะไปขโมยของคนอื่นซึ่งเขาก็จะมีปกติของเขาที่ไม่ขโมยเหมือนกันเพราะนั้นก็ยังจะมีส่วนดีอยู่บ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไอ้ความเป็นปกติตรงนี้เราต้องวัดจากความเป็นปกติของคนที่ไม่มีกิเลสนะหรือว่าของคนที่ไม่มีกิเลสแล้วบัญญัติเอาไว้นะอย่างปกติของพระสงฆ์อย่างเงี้ยปกติของผู้ประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยก็จะไม่มีเพศสัมพันธ์ เพราะ น, นันนี้เป็นความปกติของคนอีกระดับหนึ่งซึ่งคนที่บัญญัติตรงนี้ขึ้นมาก็เห็นแง่มุมทุกอย่างนั่นคือโปรไฟชาระดั่นเองค่ะ<ม>ก็เท่ากับว่ากรณีนี้ท่านวิเคราะห์ในส่วนที่ว่าการโกงการยิมเงินทองของใช้ไม่คืนแบ่งหุ้นไม่เป็นไปตามสัญญาเนี่ยถือว่าผิดปกติแล้วก็จึงเข้าขายว่าผิดศีลใช่เพราะขัดกับหลักการวัตถุประสงค์ของการบัญญัติใช่ทีนี้ในส่วนของมิจฉาอาชีวะนะคะอืม คือถ้าเรามาดูในหมวดของอริยมรรคพงษ์แปดใช่ไหมครับพุทเจ้ า, าวรวมมิจฉาสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะสัมมากัมมันตะเนี่ยสามอย่างเนี้ยรวมเป็นส่วนที่เป็นศีลนะรวนเป็นส่วนที่เป็นศีลเพราะฉะนั้นในข้อของอาชีวะเนี่ยมิจฉาอาชีวะก็คือเราเว้นขาดจากมิจฉาอาชีวะนั่นคือสัมมาอาชีวะนะก็อยู่ในส่วนที่เป็นศีลคือความเป็นปกติในการดํารงชีวิตต้องเป็นอย่างนี้ค่ะอื คือการโกงกันเนี่ยไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมค่ ะ, ะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีปกติไม่โกงมีปกติไม่โกหกนะอันนี้ก็ถือว่าปฏิบัติถูกต้องตามศีลที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้ละค่ะคือคนที่เขาไม่ปกติเนี่ยเราอย่าไปยุ่งกับเขาถ้าเราไปยุ่งกับเขาเนี่ยเราอาจจะช่วยเขาได้หรืออาจจะช่วยเขาไม่ได้ก็ไม่รู้ละ่ะแต่ถ้าเราไปยุ่งกับเขาเนี่ยนะเขาอาจจะทําให้เราเจ็บได้ด้วยความที่ไม่ปกติของเขา นะคะก็เท่ากับว่าถ้ามีพฤติกรรมเยี่ยงคําถามเนี้ยแปลว่าเป็นคนที่ผิดสีละเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ได้ไม่ปก MM. ติไม่ปกติอืค่ะปกติในที่นี้เนี่ยก็จะมีหลายหลายแบบนะนะบางคนมีความกังวลว่าเอ๊ะฉันอทําอะไรผิดทําอะไรแบบเช่นเดินไปเหยียบมดตายเดินไปเหยียบหอยตายอย่างเงี้ยรู้สึกไม่สบายใจฉันผิดสีหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะ <C han> อก็ต้องบอกว่าาคุณทําเป็นปกติไหมละ่ะค <C han> ถ้าคุณไม่ได้ทําเป็นปกตินะปีหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นสักครั้งเดียวโดยไม่ได้ตั้งใจอันนี้มันก็ไม่เป็นไม่ไม่ผิดความปกติของเธอค่ะท <C han> ่านคะ่ะทีนี้บางคนคะ่ะขี้เล่นคนไทยอ่ะอ <C han> ืเวลาจะไปหยิบของใครมาในบางกรณีนะคะ <C han> แรงคะ่ะมันใส่เพื่อนสนิทกันหวงนะแล้วก็มันเป็นของที่ไม่ได้มีค่าเลยนักหนาแต่ห่วงทําไมจังแกงเลย เอาไปซ่อนเอาไปซ่อนเอาไปขโมยไปเลยเอามาใช้ด้วยเพราะรู้สึกว่าออมันไม่ได้แพงมันไม่ได้อะไรก็ อ, อย่างนี้ค่ะอันนี้ก็ผิดผิ ด, ดความเป็นปกติแน่นอนเพราะปกติเราจะไม่ทําอย่างนั้นกันนะนะอออืถ้าคุณทําอย่างนั้นก็แสดงว่าคุณผิดปกติแล้วค่ะจะด้วยอารมณ์ขันอะไรก็ก็ผิดจะไม่มีค่ายังไงก็ผิด <นะ S 2> เพรา ะ, ะว่าในส่วนของมิตรเนี่ยสมมุติเพื่อนกันเนี่ยนะเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขก็มีนะเพื่อนอุปการะก็มี เพื่อนอุปการะเนี่ยคือถ้าเขาต้องการสิ่งใดเราอนุเคราะห์ให้เกินเท่าที่ออกปากเอาไว้เกินกว่าที่ออกปากเอาไว้เพราะฉะนั้นมีแต่จะช่วยเหลือกันมีแต่จะเก็บความรับของกันและกันมีแต่จะอนุเคราะห์กันมีแต่จะรักษาเพื่อนที่ประมาทมีแต่จะดูแลเพื่อนอเขาเรียกว่าครอบครัวของมิตรด้วยเพราะฉะนั้นการแกล้งกันเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทําให้เป็นเพื่อนดีกันได้ค่ะไปเก็บของได้ในห้องน้ําำเขาลืมโทรศัพท์มือถือไว้ Uh huh. แล้วก็เหมอเออ้อที่ไปเนี่ยมันเป็นที่เปลวมากเลยก็ไม่เห็นมีใครแล้วแถวนั้นก็เลยเป็นห่วงกลัวของหาย uh huh. เก็บอไปเลยอ๋ออด้วยเจตนาที่จะไปคืนเจ้าของเนี่ก็ไม่มีปัญหาพระอนุลก็เคยทำค่ะนะคือมีสร้อยคอหล่นอยู่ในวัดเจะวันแต่พระอนุ์ก็เก็บขึ้นมาเพื่อหวังว่าจะเอาไปคืนเจ้าของโดยเอามาไว้ที่ส่วนกลางอย่างนี้ก็ ก็เคยมีเหตุการณ์นี้อยู่อืมถ้าสมมุติว่าเดิเดิฉันสมมุติอีกกรณีหนึงนะคะอ uh huh. ของอันนี้ก็ลืมมาลืมไว้หลายวันแล้วมันเอื่นเป็นแม่บ้านเฝ้าห้องนา้าอ๋อเฮ้ยทำไงดีไม่มีใครมาเอาเนี่ยรอมาหลายวันมากแล้วเอาไปใช้เลยอืม uh huh. ค่ะเอาไปใช้เลยด้วยจิตยังไงละ่ะ ค, คือแสดงความเป็นเจ้าของว่าอันนี้ของฉันแล้วใช่ไหมคือเหมือ น, นคิดว่าสงสัยเขไม่มาเอาแน่แล้วเนี่ยก็รออยู่ตั้งนานแล้วอ๋อ oh. ค่ะ <laughs> อืมอันนี้ก็วิเคราะห์ยาเหมือนกันนะเพราะว่าเจตนาเขาคือต้องการจะให้เจ้าของมาเอาคืนไปใช่ไหมค่ะเป็นถ้าคุณแสดงเจตนาโดยการที่จะเอาให้เจ้าของมาเอาคืนไปคุณอยากเอาไปใช้มันมันแสดงเจตนาโดยชัดเจนอยู่แล้วถ้าคุณเอาไปใช้แสดงว่ามีความคิดว่าอันนี้เป็นของฉันท่านพ่บุญคะ <c oughs> ่ะอ่าพูดถึงเรื่องเนี้ยสงสัยจะต้องกลับเรียนถามท่านกันยาเพราะว่าเวลาบางมุมเนี่ยเราอาจจะลืมคิดไปว่านี่แหละคือการทำผิดศีล ข, ข้อนี้ นะคะยกตัวยอย่างเช่นการคอร์รัปชันต่างๆเนี่ยบางเอื่อเวลาไม่มีจะยกไปถามมันอื่นแล้วละกันนะคะเห็นว่าวันนี้ไม่ทราบว่าจะมีพุทธวจนะบทไหนสําหรับให้ในโอกาสปีใหม่ทิ้งท้ายไว้ไหมคะมหรือให้เป็นพรุ่งนี้ ว, นนวันนี้ก็จะมีพุทธวัจนะบทนี้พุทธเจ้าบอกว่าอุปการะผู้อื่ น, น, นด้วยการให้รู้อริยสัจเพราะฉะนั้นถ้าในปีใหม่นี้คุณจะต้องการอุปการะผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นส่งเคราะห์ผู้อื่นมอบความสุขให้กันคุณมอบ ความให้รู้อริยสัจให้เขาได้เขียนไปเลยสี่ข้อเงนี้ได้บุญไหมคะโอะได้แน่นอนถ้าเขาอ่านแล้วก็พิจารณาตามสวัสดีปีใหม่ทุกคือความไม่สบายกัจไม่สบายใจเงนี้หรอครับผูรูชาักพูดคำนี้บอกว่าพึงอุปกา ร, ระผู้อื่นด้วยการให้รู้อริยสัจนะค ะ, ะก็สมมุติว่าท่านส่งหนังสือเล่มหนึ่งหรือความรู้อะไรทำนองนี้ก็ถือว่าเป็น ของขวัญที่ล้ำค่าแล้วกําลังอุปการะเขาอย่างดีที่สุดอื <fore aquele. S 2> นะคะวันนี้ก็นมาสกา ร, ร, รขอบพระคุณนะคะสําหรับพระอาจารย์เพริบุตอภิปุญโนจากวัดป่าดอนหายโซอุดรธานีค่ะนักสักรร <Speech. S 2> กา <lum. S 2> ครค่ะเพื่อนฝังที่รครบค้านี่คือรายการสรรมาัมมนนทานะคะดําเนินรายการโดยสัมสนนาณพงอยู่ทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวเอฟเอ็มรอยหวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติด้วยเราก็พบกันตั้งแต่ตีห้าถึงตีห้าคึ่ง เป็นในการครึ่งชั่วโมงที่สาระอัดแน่นเลยนะคะมีทั้งการปฏิบัติธรรมในช่วงต้นของรายการนําโดยพระม้าชาคาวโรวัดนาปพ ง, ง์ลำลูกกาคลองศิบวัดที่มีท่านอาจารย์คริสต์โสธิพโลเป็นท่านจเจ้าอาวาสแล้วก็ได้เมตตามอบหนังสือผู้ทวจนะให้กับพวกเราเป็นประจำในทุกวันวันละสามผู้โชคดีเอาไปศึกษากันไม่มีวางขายที่ไหนนะคะคําพระศาสดาล้วนๆถ้าไม่รวมบทนํานิดหน่อยแล้วก็ต้องถือว่าเนื้อหา เป็นพุทธวัจจนะทั้งหมดจริงๆก็ที่0 2 2 6 9 0 0 0สค่ะส่วนจะส่งคำถามไปที่ท่านเพบูลนะคะ p พียวธรรมะดอทคอมแลแล้วก็จะนำกลับมาต่อกันในรายการนี้แหละคะ่ะขอให้ท่านใช้ชีวิตอย่างทบทวนนะคะว่าปีที่ผ่านมานซึ่งกำลังจะผ่านไปมันมีอะไรที่จะทำให้เราได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเดฉันเชื่อว่าถ้า เรารู้ว่าที่ผ่านมามันน่าที่จะเอาธรรมะเข้าไปจับแบบไหนหลังจากที่เราได้พบนะคะในคำสอนของพระาศาสดาแล้วปีใหม่เนี้ยเราไม่ต้องให้ใครมาอวยพรเราเลยนะคะพรนั้นจะปรากฏจากการกระทาของเราเองวันนี้ก็ลากไปติเพียนเท่านี้ก่อนค่ะพุทธวัตรสวัสดีค่ะ